คือการเอาสติเข้ามาตั้งรู้ตั้งดูอยู่ในขอบเขตกายใจนี้เองสติปัฐานสี่หรือการตั้งสติไว้ที่ฐานอย่างถูกต้องจึงเป็นทางดาเนินอันไม่ล้าสมัยจะผ่านมา ก, กี่พันปีหรือจะผ่านไปอีกกี่พันปีขอเพียงเป็นมนุษย์พบพุทธศาสานาศรัทธาสติปัฐานสี่และมีใจอุทิศตัวย่อมไม่สายสาหรับการทางทางสู่ความหลุดพ้น